วันนี้เป็นวันพระวันทำบุญวันเติมบุญบุญเป็นเหมือนน้ำมันของจิตใจรถยนต์ต้องการน้ำมันชันใดจิตใจของพวกเราก็ต้องการบุญชันนั้นเพราะจิตใจของพวกเรากำลังเดินทางกันอยู่เราต้องการจะเดินทางไปสู่บ้านของเรา เราก็ต้องแวะจอดเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงบ้านของเราบ้านของเราอยู่ไกลต้องจอดเติมน้ํามันบ่อยเหมือนเดินทางจากนี่ไปเชียงใหม่บางทีเติมหนเดียวไม่ไปไม่ถึงต้องแวะจอดเติมกลางทางถ้าไม่เติมน้ํามันเดี๋ยวน้ํามันหมดก็จะไปไม่ถึงบ้าน ใจิตใจของพวกเรานี้กําลังเดินทางไปสู่บ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ปราศจากความทุกข์บ้านนี้เป็นบ้านที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้กับพวกเราถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้บอกทางเราจะหลงทางกันเราจะไปไม่ถึงบ้าน บ้านอันนี้เป็นบ้านที่ทําให้พวกเรานั้นไม่ต้องทุกข์กับเรื่องอะไรอีกต่อไปไม่ต้องทุกข์กับเรื่องของการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์กับการไปเกิดอยู่ที่เราไม่ปรารถนากันคือไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นนสุลกายไปตกนรก หรือบ้านที่เราชอบแต่มันก็เป็นบ้านที่ไม่ถาวรคือสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านที่ให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นบ้านที่ไม่ถาวรไม่นานมันก็จะหมดหมดไปบ้านที่ถาวร น, นี้เป็นบ้านที่พระพุทธเจ้า ส่งค้นพบนะและสอนพวกเราให้เดินทางไปให้ถึงบ้านอันนี้ให้ได้เพราะถ้าตาบใดเรายังไม่ถึงบ้านอันนี้เราก็ยังจะต้องไปอยู่บ้านชั่วคราวอยู่เรื่อยๆบ้านชั่วคราวที่ดีมีความสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆบ้านชั่วคราวที่มีความทุกข์เราก็เรียกว่าอบายะ เป็นเหมือนไปติดคุกติดตารางบ้านที่ครึ่งดีครึ่งไม่ดีก็คือบ้านของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ของพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราจะมีความสุขผสมกับความทุกข์สลับกันไปสามวันดีสี่วันไข้แต่ก็ยังดีกว่าไปเกิดในอบายในอบายนี้มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุข แต่ถ้าได้ไปเกิดในสวรรค์ก็ดิ้งดีกว่าบ้านของมนุษย์เพราะบ้านในสวรรค์เป็นบ้านที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์นั่นเองแต่บ้านไหนก็สู้บ้านของพระพุทธเจ้าไม่ได้บ้านที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเนี่ยเป็นบ้านที่แท้จริงของพวกเราเป็นบ้านที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแล้วก็เป็นบ้านที่ถาวร ไม่มีวันพังไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่คือบ้านที่เราต้องการไปกันเราจะไปถึงเราก็ต้องมาเติมน้ำมันอยู่เรื่อ ย, อยแวะปั๊มน้ำมันแล้วก็คอยดูแผนที่อยู่เรื่อ ย, อยว่าเรากําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกหรือผิด ถ้าเดินไปในทางที่ผิดเราก็จะได้แก้ไขก่อนที่มันจะสายเกินไปถ้าเป็นทางที่ถูกเราก็พยายามเดินไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าเราเดินไปในทิศทางที่ถูกและเดินอย่างไม่หยุดไม่หย่อนไม่นานเราก็จะถึงบ้านของเรานี่คือวันพระวันที่เราจะมา น้ำมันให้กับใจวันที่เราจะมาดูแผนที่ดูทิศทางของการเดินทางของพวกเราว่าเราเดินทางไปในทางที่ถูกหรือไม่ถ้าไปในทางที่ไม่ถูกเราก็จะได้เปลี่ยนทิศทางใหม่ทางที่ไม่ถูกที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราอย่าไปกันคืออะไร คือทางของการกระทําบาปทั้งปวงนั่นเองอย่าไปทําบาปนะทาบาปแล้วไม่ไปถึงสวรรค์ไม่ไปถึงนิพพานทําบาปแล้วจะต้องจะไปถึงอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปตกนรกผลจากการทําบาปจะเป็นเช่นนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม เมื่อทำแล้วผลก็จะเกิดเหมือนเราจะเชื่อกฎหมายหรือไม่เชื่อก็ตามรู้หรือไม่รู้กฎหมายก็ตามถ้าขับรถผิดกฎหมายก็ถูกเขาจับถูกเขาจับไปลงโทษถ้าโทษเบาก็แค่ปรับถ้าโทษหนักก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางจะรู้หรือไม่รู้กฎก็ตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อกฎก็ตาม ถ้าทำผิดกฎแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเห็นเข้าเขาก็จะจับเราไปลงโทษได้แต่ถ้าเราไม่ทำผิดกฎนเจ้าหน้าที่เห็นเราเขาก็จับเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎฉันใดการทำบาปนี้เป็นการกระทำผิดกฎกฎหมายของใจกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมมีข้อ บทลงโทษของผู้กระทำบาปทำบาปแล้วจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเนี่ยไม่ต้องรอตายไปถึงจะรับผลบาปผลบาปหรือผลบุญนี่รับทันทีตอนที่เราทำทำผลที่รับทันทีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ใจของเราพอเราทำบาปปับ๊บใจของเราจะร้อนขึ้นมาทันที ใจจะไม่สบายขึ้นมาทันทีไม่เชื่อถามหนูเวลาโกหกคุณพ่อคุณแม่แล้วใจสบายไหม เ, เวลาขโมยของคุณพ่อคุณแม่แล้วใจจะสบายไหมไม่สบายถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีใจที่ได้ของแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลใจขึ้นม า, าวิตกขึ้นม า, าคุณพ่อจะรู้หรือเปล่าคุณแม่จะรู้หรือเปล่า เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่รู้จะทำยังไงกับหนูต้องโดนด่าแน่ๆอย่างน้อยก็ต้องโดนด่าโดนว่ากล่าวตักเตือนตั่งสอนถ้าไม่เชื่อก็จะต้องถูกลงโทษตัดค่าขนมเทศนี้ลดค่าขนมลงครึ่งหนึ่งหรือห้ามดูทีวีมีบทลงโทษตามมานี่คือบาปการกระทำผิดเรยเรียกว่าบาป อย่าทำถ้าไม่ทำบาปแล้วก็ไม่มีโทษตามมาถ้าไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ไม่กลัวไม่อะไรเฉยเฉยแต่ถ้าโกหกหรือขโมยของคุณพ่อคุณแม่นี่เห็นแล้วใจไม่ค่อยสบายไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านี่ผลมันเกิดขึ้นทันทีจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม เกิดขึ้นที่ใจของเราเกิดที่ความรู้สึกของเราความรู้สึกไม่ดีจะเกิดขึ้นมาเวลาเราทําบาปทําไม่ดีอันนี้เป็นเพียงผลขั้นที่หนึ่งเท่านั้นยังมีผลขั้นที่สองตามมาผลขั้นที่สองนี้ต้องรอตอนที่เราตายตอนที่เราตายนี่ถ้าบาปมีมากกว่าบุญเราจะถูกบาปใจของเราจะเป็นดวงวิญญาณ เวลาไม่มีร่างกายนี้ใจแล้วของเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณเป็นเหมือนกับคนที่แต่งงานก็จะผู้หญิงแต่งงานก็เรียกว่านางพยาก็กลับไปเป็นนางสาวใหม่เพราะว่าไม่มีคู่อันนเหมือนกันเวลาจิตใจมามีคู่กับร่างกายแต่งงานกับร่างกายก็เรียกว่าจิตใจ เวลาเป็นโสดเวลาที่ยาจากร่างกายแยกออกจากร่างกายก็จะเรียกว่าวิญญาณดวงวิญญาณคนคนเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อผู้รู้ผู้คิดนี้เวลามีร่างกายเราเรียกว่าจิตใจเวลาที่แยกออกจากร่างกายเวลาที่ร่างกายตายเราเรียกว่าวิญญาณ วิญญาณถ้าทำบาปก็จะเป็นวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์เนี่ยมีอยู่สามชนิดด้วยกันวิญญาณที่ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็เรียกว่าเปรเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยความโลภจะทำให้ใจหิวโหวยได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหิมไม่รู้จักพอเพราะอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้เครืบก็อยากจะได้สองทันที ได้สองก็อยากจะได้วาใช่ไหมเคยคุณพ่อเคยให้เงินสิบบาทเขาต่อไปต้องขอยี่สิบาทนะสิบบาทไม่พอใช้นะอแต่ถ้าโลภโดยไม่ทําบาปก็ยังไม่ไปเป็นเดรตโลภแล้วต้องทําบาลด้วยเช่นอยากได้ยี่สิบาทคุณพ่อให้สิบาทก็ไปขโมยอีกสิบบาทเนี่ยอย่างเงี้ยจะเริ่มเป็นเปรดแล้ว เราทำบาปด้วยความโลภแต่ถ้าไม่ทำโลภจะไม่เป็นเปรตมันจะโลภไม่นานโลภอยากได้ยี่สิบพอไม่ได้ก็เปลี่ยนใจเอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาสิบบาทไปก่อนอย่างนี้ก็ไม่เป็นเปรตยังเป็นมนุษย์อยู่มนุษย์นี้ถึงแม้ว่าจะมีความโลภแต่จะไม่ทำบาปด้วยความโลภก็กะไรไม่เปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเปรต แต่ถ้าอยากจะได้แล้วได้ไม่ได้ขอแล้วไม่ให้ก็เลยไปขโมยอย่างเงี้ก็จะเป็นเปรตขึ้นมาทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตดวงวิญญาณจะมีแต่ความหิวโหยรู้สึกมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออยากจะได้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆส่วนวิญญาณพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวน่นกลัวนี่ก็ฆ่าเขาขก่อน กลัวมดกลัวแมลงก็ฆ่ามดฆ่าแมลงกลัวงูเจองูก็ตีงูกลัวอะไรจวงวิญญาณก็จะมีแต่ความหวาดกลัวคอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวทุกข์ด้วยความหวาดกลัวเพราะทําบาปด้วยความกลัวแต่ถ้าเป็นมนุษย์เวลากลัวอะไรก็ไม่ฆ่าเขาอย่างมากก็จับเขาไปปล่อย งูเข้ามาในบ้านก็จับมันออกไปนอกบ้านตุ๊กแกเข้ามาในบ้านก็จับมันออกไปไปปล่อยนอกบ้านมดมันเข้าบ้านก็กวาดมันออกไปแล้วก็หาอะไรกันมันอย่าให้มันเข้ามาถ้าทำแบบนี้ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ถ้ามันเห็นมันแล้วก็ฆ่ามันเลยเห็นมดก็ฆ่ามดเห็นยุงก็ฆ่ายุงเห็นอะไรที่เรากลัวนี่ฆ่ามัน อันนี้เรียกว่าทำบาปด้วยความกลัวพอทำบาปด้วยความกลัวจิตใจก็จะถูกความกลัวนี่หลอกหลอนเวลาไม่มีดวงวิญนไม่มีร่างกายนี้จิตใจจะอยู่ตามนำพังเหมือนตอนที่นอนหลับเวลาจิตใจแยกออกจากร่างกายนี้เหมือนตอนที่นอนหลับตอนที่นอนหลับจิตใจก็แยกออกจากร่างกายชั่วข่าวไม่ไม่กี่ชั่วโมงหกเจ็ดชั่วโมง ตอนนั้นก็จะอยู่ในโลกของความฝันตอนนั้นก็ถ้าทาบาปด้วยความกลัวก็จะฝันแต่เรื่องหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวต่างๆถ้าทาบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะฝันว่าไปตกอยู่ในสภาพที่อดอยากขาดแคลนเหิว่หวห้ยลาบากยากเย็นแล้วถ้าทาบาปด้วยความโกรธ ก็จะเหมือนก็จะฝันร้ายว่ามีคนนั้นคนนี้จะมาปองร้ายเรามาทำร้ายเราเพราะเวลาที่เราโกรธเราจะไปทำร้ายคนอื่นอยู่ เ, เรื่อยๆพอทำร้ายเขาแล้วเราก็ต้องกลัวว่าเขาจะกลับมาทำร้ายเรากลัวเขาจะมาล้างแค้นเราเวลาไม่มีร่างกายดวงวิญ ญ, ญาณก็จะร้อนจะทุกข์ด้วยความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธ โกรธคนนั่นโกรธคนี้อยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาพอไปทําร้ายเขาแล้วขเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราล่ามแค้นกันไปล่ามแค้นกันมา ừ, เวลาตายนี่หรือเวลาหลับนี้จิตจะอยู่ในโลกของความฝันแต่มันไม่ใช่เป็นความฝันมันเป็นความจริง ừ, เป็นความจริงแต่เราไปเรียกว่ามันเป็นความฝัน ừ, ตอนที่เรานอนหลับเนี่ยความฝันนี่มันเป็นความจริง แต่มันเป็นความจริงชั่วกล่าว <oret> เพราะอะไรเพราะเวลาเราฝันนี่เราคิดว่าเราอยู่ในโลกของความจริงใช่ไหมเราไม่ได้คิดว่าเราฝันใช่ไหมเวลาเราอยู่เวลาเราฝันเนี่ยเราจะมารู้ว่าเราฝันก็ต่อเมื่อเราตื่นบอกอ๋อเมื่อกี้นี้ฝันไปเนี่ยว่ะความจริงไม่ฝันมันเป็นความจริงเหมือนเหตุการณ์เมื่อวานนี้เป็นความจริงหรือเป็นความฝันเราจะเรียกว่าเป็นความจริงก็ได้เรียกว่าเป็นความฝันก็ได้ ใช่ไหมเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้อันนี้ก็เหมือนกันตอนที่เรานอนหลับเราฝันไปพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ว่ามันเป็นความฝันแต่ความจริงมันเป็นความจริงมันเป็นเหตุการณ์ท <im> <man> <man> right. <man> ี่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับจิตเราฝันะความฝันนี้ก็เป็นความจริงเพราะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นจริงะ เวลาหวาดกลัวหวาดกลัวจริงๆเวลาดีใจดีใจจริงๆเนีมันเป็นความจริงแต่เราเพียงแต่ไปเรียกมันว่าเป็นความฝันนั่นเองถ้าเราเรียกความฝันว่าเป็นความฝันเราก็ต้องเรียกเหตุการณ์เมื่อวานนี้เป็นความฝันเหมือนกันใช่ไหมเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมมันเหมือนความฝันเราจะเรียกว่ามันเป็นความฝันก็ได้แต่มันไม่เป็นความฝันมันเป็นความจริง <tyard. S 2> ความฝันที่เราฝันมเมื่อคืนนี้มันก็เหมือนกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้เราแต่เราไปเรียกว่ า, วาเป็นความฝันแต่ความจริงมันเป็นความจริงเพราะตอนที่ฝันนี้มันเป็นเหมือนจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าความฝันนี้เป็นความฝันมันเป็นความจริงเวลาทุกข์ก็ทุกข์จริงๆในฝันเวลาสุขก็สุขจริงๆในฝัน เวลาทรมานก็ทรมานจริงๆในฝันนั้นขอให้รู้ไว้นี่คือดวงวิญญาณหรือดวงใจเป็นผู้รับผลบุญผลบาปรับตั้งแต่ยังไม่ตายรับตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ตอนตื่นก็รับด้วยความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกเวลาทำบุญนี่จะรู้สึกสุขขึ้นมาทันทีเวลาได้ช่วยเหลือคนที่ก็ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้ว เห็นเขามีความสุขนี้เราจะมีความสุขขึ้นมาทันทีแล้วเวลาเรานอนหลับเราก็จะไปฝันว่าเราเดือดร้อนแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือเราแล้วเราก็จะเกิดความสุขความดีใจที่มีคนมาช่วยดูแลเราช่วยเหลือเรานี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเน่ยเพียงแต่ว่าเรามาแยกมันว่าเป็นฝันเป็นจริงแต่สิ่งทุกอย่างที่เกิดในใจของเรานี่เป็นจริง S 1> <S 1> ตอนนี้เป็นความฝันหรือเป็นความจริงเราตอนที่เรานั่งคุยกันตอนนี้จะเรียกว่าเป็นความจริงใช่ั้ยแต่พรุ่งนี้เรามองกลับแล้วเราจะเรียกว่าเป็นความจริงเขาบอกเราก็เรียกว่ามันเป็นความฝันว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนั้นจิตใจของเรานี้จริงตลอดเวลาอยู่กับเหตุการณ์จริงตลอดเวลาเวลาตื่นก็อยู่กับร่างกายเวลาหลับก็อยู่คนเดียวไม่มีร่างกาย แต่ก็มีเรื่องมีราวให้สุขให้ทุกข์เหมือนกับตอนที่มีร่างกายตอนที่ตื่นแล้วสุขหรือทุกข์นี้ที่ที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์ก็คือบุญหรือบาบนี่เองอันนี้เวลาที่เรานอนหลับและเวลาที่เราตายนี้เราควบคุมใจไม่ได้บุญกับบาปมันจะมาเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้กํากับใจผลิตความสุขความทุกข์ให้กับเรา แต่ขนะที่เติอนี้เรายัางพอที่จะควบคุมใจเราได้บ้างแต่ก็ไม่ตลอดเวลาบางทีอยากให้มันสุขมันยังไม่ยอมสุขเลยใช่ไหมบางวันอยากให้มันสุขแต่มันกลับทุกข์ก็ได้ใช่เพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีควบคุมใจให้มันสุขอย่างเดียวเรารู้จักวิธีที่ควบคุมใจแล้วสุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เพราะเรายัางไม่ได้ศึกษาวิธีรักษาใจควบคุมใจให้ผลิตแต่ความสุขไม่ให้ผลิตความทุกข์กับเราแต่ถ้าเราได้มาวัดเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่เรากำลังฟังอยู่ตอนนี้ต่อไปเราจะรู้จักวิธีควบคุมใจของเราให้สุขทั้งหลับและสุขทั้งตื่นทำยังไงทำให้สุขทั้งหลับและสุขทั้งตื่น ก็ทำตามที่พระเจ้าทรงบอกว่าผู้ที่มีความเมตตาเนี่ยย่อมมีความสุขทั้งตื่นและหลับนะหลับก็หลับนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายฝันดีนี่คือเหตุตัวผู้ผู้กำกับที่จะมากากับใจของพวกเราให้มีความสุขทั้งขณะที่ตื่นะขณะที่หลับขณะที่ตื่นเราก็ต้องมีความเมตตาเมตตาก็คือ เราต้องมีความปาทะนิปราทนาดีต่อกันมีความหวังดีต่อกันรักกันพูดง่ายแต่ไม่ได้รักแบบสามีภรรยารักแบบพ่อกับลูกพ่อแม่กับลูกรักแบบเพื่อนอยากให้เพื่อนมีความสุขใครเป็นเพื่อนเราเราก็อยากจะให้เขามีความสุขรักเหมือนพ่อแม่รักลูก ไม่ได้รักแบบสามีภรรยารักแบบนั้นรักด้วยความใคร่รักด้วยตัณหาความอยากเสรกรรมนั่นรักคนละแบบรักแบบนั้นเป็นการรักเพื่อเอาไม่ใช่เป็นการรักเพื่อให้แต่ความเมตตานี้รักแบบให้ไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนอยากจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นผู้ที่อยากจะให้ความสุขแก่ผู้ น, นี้เรียกว่าเป็นผู้แผ่เมตตา ดังนั้นการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยการให้ความสุขแก่ผู้อื่นไม่ใช่แผ่เมตตาด้วยการสวดบทแผ่เมตตาสวดบทแผ่เมตตานี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับใคร เรานั่งสวดมนต์คนเดียวแล้วสวดสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุสวดไปปากเปียกปากชีกก็ไม่มีใครเขารู้ว่าเราให้ความสุขกับเขาถ้าอยากจะให้ความสุขกับเขาตอนเช้าซื้อข้าวซื้อขนมแล้วก็ไปแจกคนที่เขาไม่มีข้าวกินอยู่ใส่บาตรพระอย่างนี้แหละ ให้ความสุขเขาแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาทันทีใจได้มีความรู้สึกว่าเราได้ทำให้คนอื่นที่เขาอดอยากขาดแคลนไม่อดอยากขาดแคลนทำให้เขามีความสุขความอิ่มขึ้นมา พอเห็นอย่างนั้นใจก็เกิดความสุขขึ้นมาฉะนั้นอยากจะรู้ว่าเราแผ่เมตตาหรือไม่ต้องดูผลที่เกิดขึ้นที่ใจของเราไม่ใช่สวดไปแล้วก็ใจของเราก็เฉยเฉยสวดไปยังไงก็ไม่เห็นรู้สึกมีความสุขก็เพราะว่ามันเป็นการสวดมันไม่ใช่เป็นการแผ่การแผ่ต้องทาต้องให้ความสุขแก่ผู้อื่น ไม่เชื่อดองเอาเดี๋ยโยมเอเงินเนี่ยอาไปจากคนละสิบบาทยี่สิบาทดูเนี่ยเห็นผลทันทีเลยเนี่ยมีความสุขขึ้นมาคนรับเขาก็สาธุสาธุขอบอกขอบใจยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละคือวิธีที่จะกำกับใจของเราให้ผลิตแต่ความสุขคือให้เราแผ่เมตตาให้มีความเมตตาต่อผู้อื่น วิธีที่ทำให้เกิดความเมตตาต่อผู้อื่นก็มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันนะลักษณะที่หนึ่งที่เราสวดกันสเปสัตตาอเวลาโหนตุแปลว่าอย่างไรแปลว่าอย่าจองเวนกันเวลาใครเขาทำให้เราโกรธเราเสียหายทำให้เราเดือดร้อนอย่าไปจองเวนอย่าไปอาฆาตพยาบาทให้อภัยให้อภัย แต่ไม่ได้หมายความว่ า, าให้อาภัยแบบไม่ลงโทษถ้าจาเป็นต้องลงโทษเพื่อให้เข็ดลาบก็ต้องลงโทษเช่นลูกทาผิดเนี่ยให้อาภัยไม่โกรธไม่เกลียดแต่ จ, จะต้องลงโทษให้เข็ดลาบให้รู้ว่าทำบาปทำผิดแล้วไม่ดีถ้าไม่มีการลงโทษก็อาจจะไม่เข็ดลาบ เดี๋ยวจะไปทาใหม่อีกแต่ใจไม่มีความโกรธเกลียดอาฆาตปริยบาตแต่ถ้าลงโทษไม่ได้ก็ไม่ลงโทษเ <c oughs> ช่นคนคนเขาเดินมาเหยียบเท้าเราอย่างเงี้ยแล้วเราโกรธขึ้นมาแล้วแหมอยากจะตบมันเนี่ก็ต้องรีบแผ่เมตตาสัพเพสัตต า, าเวลาห้นตอุอย่าจองเวรกันอย่าไปตบเขานี่เรียกว่าให้อภัย แต่เราไปลงโทษเขาไม่ได้นะเพราะว่าไม่อยู่ในในฐานะที่จะไปให้คุณให้โทษกับเขาก็อย่าทำแต่ถ้าเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เวลาลูกทำผิดเราก็ต้องสอนเขาต้องลงโทษเขาบ้างให้เขาเข็ดหลาบอย่างนี้ลงโทษได้กฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีการลงโทษอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะให้อภัยแต่เขาก็ต้องลงโทษเพื่อให้เข็ดหลาบ ดังนั้นอข้อที่หนึ่งของการแผ่เมตตาก็คืออย่าจองเวรกันแล้วกันแล้วแล้วกันไปใครทำอะไรไปแล้วพูดอะไรไปแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วไปล้างแค้นกันมันไม่ทำให้เรื่องจบมันกลับจะทำให้เรื่องยาวขึ้นเราไปล้างแค้นเขาเขาก็จะกลับมาล้างแค้นเราแค้นกันไปแค้นกันมาเดี๋ยวก็ฆ่ากันตายนี้ท่านหยุด ไม่ไม่ไปล้างแค้นพอเขาทําอะไรบ่พอเขาเหยียบเท้าเราเ อ, อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรออหนักกว่านี้ยังโดนได้ไว้ อ, อ, อย่างงี้เดี๋ยวก็ตบเราไงตอบเราเขาไม่เป็นไรออถ้าอยากจะเป็นผู้ที่มีความเมตตาสูงสุดต้องถือหลักที่พระเจ้าสอนถ้าเขาถ้าเขาไม่ชอบเร า, า, าก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราะก็ยังไม่ด่าเราะ ดีแล้วเ้ายังไม่ด่าเราเขาเพียงแต่ไม่ชอบเราถ้าเขาด่าเราก็ดีแล้วเ้ายังไม่ตีเราถ้าเ้าตีเราก็ดีแล้วเ้ายังไม่ฆ่าเราถ้าฆ่าเราดีแล้วจะได้ไม่ต้องหากินไม่ต้องทำหมากินให้เหน็ดเหนื่อยคนตายนี่สบายกว่าคนเป็นนู้นคนเป็นอยู่นี่ทุกทุกวันต้องหากินต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาคนตายนี่สบาย ไม่ต้องทำงานไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องไปเลือกตั้งไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะที่คนเป็นต้องทำกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะให้อภัยได้นี่คือวิธีแผ่เมตตาข้อที่หนึ่งสัพเพสัตตาอาเวลาหนตุอย่าจองเวรจองกรรมกันใครเขาทำอะไรไม่ดีคิดว่าดีดีแล้วเขาไม่ทำมากกว่านี้ เรื่องมันก็จะจบแต่ถ้าเขาทําเราเราไปทําเขาเขาว่าเราเราไปว่าเขาเพราะว่าเขาเขาก็ตีเราเขาก็ตีเราเราก็ตีกลับพอตีกลับเขาก็เอาเปิืนมายิงเราใช่ไหมแล้วผลเป็นไงมีแต่ความทุกข์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคนตายก็เจ็บตัวตายไปคนที่ถูกคนที่ถูกยิงคนตายก็ต้องไปติดคุกติดตาราง หรือไม่ก็ต้องหนีหลบหนีซ่อนหลบซ่อนอยู่อยู่แบบธรรมดาไม่ได้โทษของการไม่ให้อภัยก็เคยจะทําให้ต้องมีการจองเวรจองกรรมกันไม่มีวันสิ้นสุดเวรไม่ยอมงับด้วยการจองเวรยอมเวรอยอมระงับด้วยการไม่จองเวร น, นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะเตือนก็มีความสุขกลับก็มีความสุข เราต้องรู้จักการไม่จองเวรด้วยการให้อภัยด้วยการคิดว่าดีแล้วเขาไม่ทำหนักกว่านี้ทำแค่นี้ยังเบาอยู่ยังน้อยไปนี่คือลักษณะของการแผ่เมตตาที่เราสวดกันข้อที่หนึ่งเวลาโหนตุข้อที่สองอัปยาปัจ ช, ชาโหนตุอย่าเบียดเบียนกัน อย่าเบียดเบียนก็คืออย่าไปรังแกกันอย่าไปข่มเหงรังแกอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนั่นเองต่างฝ่ายต่างอยู่กันนะอย่าไปรังแกกันอย่าไปรังควานกันกันอยู่กันอย่างสันติสุขแต่บางคนนี่อยู่เฉยๆไม่ได้ชอบรังแกชอบเบียดเบียนกันชอบสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่น ถ้าเราไปเบียดเบียนเขาเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเบียดเบียนเรานั่นเองทำอะไรก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาถ้าไม่ทำก็จะไม่ได้สิ่งนั้นกลับมานั้นอย่าเบียดเบียนกันให้อยู่กันอย่างเข้าลบในสิทธิของกันและกันก็คือไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เอาสามีภรรยาของอื่นมาเป็นสามีภรรยาของเรา ไม่ไม่ฆ่ากันไม่โกหกหลอกลวงกันไม่เดือมสุรายาเมาเพราะเมาแล้วมักจะไปอาละวาดไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านนี่เรียกว่าการไม่เบียดเบียนกันอย่าไปกระทำอะไรที่ทําให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นแล้วข้อที่สามอนิคาโหนตุมีความปรารถนาให้เขาไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ สแสดงความปรารถนาคืออย่าไปทำให้เขาทุกข์กายทุกข์ใจอย่าไปพูดอย่าไปทำอะไรให้เขาเสียใจอย่าไปพูดอะไรหรือไปทาอะไรทำร้ายร่างกายของเขาอย่าทำให้เขาเจ็บกายหรือเจ็บใจตอีกเลี่ยงเสียถ้าพูดแล้วทำให้เขาเสียใจก็อย่าพูดพูดแล้วทำให้เขาเสียใจอย่าไปพูดดีกว่าชื่ออยู่เฉยๆดีกว่า ถ้าทําแล้วทําให้เขาเจ็บตัวก็อย่าไปทําดีกว่าไอ้เรานี่เรียกว่าอนิคาโหณตุคือความปรารถนาไม่ให้เขาไม่ให้ผู้อื่นทุกข์กายหรือทุกข์ใจแล้วข้อที่สี่เรียกว่าสุขีอัตานังปริหารันตุหมายถึงการให้ความสุขกับเขาวิธีให้ความสุขกับเขาก็คือเนี่ยให้สิ่งที่เขาอยากได้น ใครอยากได้ของนี่พอเราซื้อของให้เขาเนี่ยเขาดีใจเขา อ, อยากได้งานหางานให้เขาทำเขาก็ดีใจมีความสุขเขาไม่มีที่อยู่อาศัยพอช่วยเหลือให้เขามีที่อยู่อาศัยได้เขาก็มีความสุขขึ้นมาอันนี้คือเรียกว่าการให้ความสุขแก่ผู้อื่นถ้าเห็นผู้อื่นเขาไม่มีความสุขก็ให้ความสุขกับเขา เราส่งความสุขกันทุกปีใช่ไหมตอนปีใหม่สกสเนี่ยทำไมเราต้องส่งเฉพาะวันปีใหม่เท่านั้นมันต้องส่งทุกวันทุกวันก็เป็นวันปีใหม่ในวันนี้ก็เป็นวันใหม่วันวันนี้ต่างกับวันที่หนึ่งตรงไหนมันก็เป็นวันใหม่เหมือนกันมีภาพที่ขึ้นมาใหม่เหมือนกันเปลี่ยนชื่อวันเหมือนกันเปลี่ยนเลขของวันเหมือนกัน วันที่หนึ่งนี่เราก็เป็นวันที่สามวันที่สี่มันก็เป็นวันใหม่เหมือนกันเราควรจะส่งสอรกระสอให้กันทุกวันแล้วเวลาเราส่งสอกะสอแล้วเรารู้สึกมีความสุขไหอมีความสุขใช่ไหมแต่สอรกรสอบนี่ยังส่งน้อยไปคือส่งแต่แค่กระดาษนั่นเองต้องมีเงินติดไปด้วยยิ่งมีความสุขโอนเงินเข้าบัญชีเขาด้วยถึงจะมีน้ำหนัก เพียงแต่ส่งแต่คำพูดมันก็ดีใจนิดหน่อยแต่ถ้ามีเงินติดมาสักร้อยสองร้อยนี่รู้สึกว่ามันจะมีน้ำหนักมากกว่านะนั่นต้องให้ความสุขแก่เพื่อนเรามีขนมมามาซื้อขนมมาแจากเพื่อนฝูงเนี่ยจะมีแต่คนรักเรามีของมาแจากเรื่อยๆนี่เรียกว่าให้ความสุขแกู่เอื่นนี่คือการแผ่เมตตา สี่ลักษณะด้วยกันที่จะเป็นวิธีทําให้จิตของเรานี้มีความสุขทั้งขณะที่หลับและขณะที่ตื่นอันนี้สงของควา ม, วามเมตตานี้มีหลายข้อด้วยกันข้อแรกก็คือตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขสองนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะมีแต่ฝันดีสามจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย สี่เทวดาจะคุ้มครองปกป้องรักษาห้าจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษเพราะจะไม่มีใครคิดร้ายกับเราเพราะเราไม่ไปทำให้ใครเขาโกรธเขาเกลียดเราทำแต่ทาให้แต่ทาให้คนมีแต่รักเราชอบเราก็จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษนะก็ต่อไปหกหรือเจ็ดนี้ก็ จะมีผิวหน้าตาผิวพรรณผ่องใสคนที่มีความเมตตานี้จะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสแล้วถ้านั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้อย่างง่ายดายนะข้อสุดท้ายถ้าตายไปก็จะไปสู่สุคติจะไม่ไปอบายโดยเด็ดขาดจะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับความเมตตาที่เราทำไว้มากน้อย เหมือนกับโรงแรมถ้าเราจ่ายค่าโรงแรมมากก็อยู่โรงแรมชั้นดาวมากถ้าจ่ายค่าโรงแรม น, น้อยก็อยู่โรงแรมชั้นดาวน้อยตรงแรมหนึ่งดาวนี้ราคาสู้สองดาวไม่ได้สองดาวก็สู้สามดาวไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันแผ่เมตตามากก็จะได้บุญมากได้อันนี้สงฆ anyway. ์มากได้สวรรค์ชั้นสูงแผ่เมตตาน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำ ไม่แผ่เมตตาก็ไม่ได้ไปสวรรค์ถ้าไม่แผ่เมตตาก็อยู่แค่เป็นมนุษย์นี่ยตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเค่อยยากจนก็ยากจนต่อไปจะไม่ร่ำรวยแต่ถ้าแผ่เมตตาเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะรวยกว่าเก่าจะมีเงินทองมากกว่าเก่าดูตัวอย่างพระเวชจรสันดรเนี่ยพระเวชจสันดร น, นี่ทําบุญอย่างมากมายแผ่เมตตาอย่างมากมาย พอตายไปก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์รู้สึกชั้นดุสิตด้วยไงเนี่ยแล้วพอลงมาจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีประสาทสามฤ ด, ดูเป็นลูกของพระกษัตริย์เนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมายไม่ต้องทำงานทำการหาเงินหาทองให้เหนื่อยยากก็เรียกว่าเกิดบนกองเงินกองทอง เพราะอา น, นิสงส์ของความเมตตานี้ของการทำบุญนี่ เ, เนี่ ย, ยประโยชน์ของการทำบุญทั้งละทำบาปนี้มีทั้งปัจจุบันทั้งตอนที่ตายไปและทั้งตอนที่กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ตอนที่ทำบาปใจจะร้อนตายไปก็จะไปเกิดในอบาย ถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ได้ร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยหรือดวงวิญญาณที่มีแต่ความกลัวหรือดวงวิญญาณที่มีแต่ความโกรธนะแล้วเวลาค้นจากอบายออกมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนา พวกที่กลับมาเกิดยากจนกลับมาพิกลพิเกิดพิกรพิการเกิดมารูปร่างไม่หน้าตาไม่สวยไม่งามอาการไม่ครบสามสิบสองมีโรคภัยเบียดเดีอนมีอายุไม่ยืนยาวนานมีเกิดมายากจนด้วยด้วยสติด้วยปัญญาอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบาป เนี่ยมันมีถึงสามตอนด้วยกันตอนปัจจุบันทําปุ๊บใจจะเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาตายไปก็ไปเกิดในอบายพอพ้นจากอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาทําไมมนุษย์เราจริงไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทําไมบางคนอาภัพวาสนาบางคนวาสนาบารมียเยอะแยะก็เพราะนี่แหละบุญบาปที่พวกเราทํากันในอดีตชาติมันจึงส่งให้พวกเรามาเกิดไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน ว่าเราทำบุญทำบาปมามากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองอันนี้สงของการมาเกิดเป็นมนุษย์จังไม่เหมือนกันถ้าเราทำบุญใจเราจะมีความสุขทันทีเวลาตายไปใจไปเกิดในสวรรค์ทันทีแล้วพอลงมาจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีใช่ไมทำไมคนบางคนเกิดมาสบายหมเกิดมากองเงินกองทองบางคนเกิดมาฉลาดเรียนหนังสือเก่งสี่จุดทุกปีเข้ามาหาอะไรเข้าที่ไหนได้เรียนหมอเรียนแพทย์เรียนอะไรไดไ้ก็เพราะมีการทำบุญทำความดีมาในอดีตชาติล่ำรวยรูปล่างสวยงามผิวพรรณผ่องใส มีอาการครบสามสิบสองอายุยืนยาวนานอันนี้เป็นผลจากการทําบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทํากันบุญนอกจากบุญที่เกิดจากการให้ทานแล้วก็บุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากรักษาศีลแล้วก็บุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยนี้เป็นบุญที่พวกเราควรที่จะมาเติมกันอยู่เรื่อยๆ เพื่ออนาคตของเรานะปัจจุบันของเราทําบุญปั๊บเนี่ยวันนี้ก็มีความสุขแล้วมาที่นี่มาทําบุญทําทานได้รักษาศีลอย่างน้อยก็สองชั่วโมงอยู่ที่นี่สองชั่วโมงก็ไม่ทําบาปอย่างน้อยก็สองชั่วโมงเราก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้เรียนรู้วิธีสร้างบุญได้เรียนรู้วิธีกําจัดบาปต่างๆ อันนี้ก็จะพาให้เราได้ไปสู่การกระทําที่ดีขึ้นไปต่อไปเราก็จะได้รู้จักวิธีทําบุญมากขึ้นเราก็จะได้เพิ่มบุญใหม่ๆเราก็อาจจะคิดว่าบุญอยู่ที่การให้ทานอย่างเดียวทําบุญทําทานบริจาคทรัพย์นี่แต่ความจริงนอกจากนั้นยังมีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลรักษาศีลห้าก็ได้บุญ รักษาศีลแปดก็ได้มากขึ้นรักษาศีลสิบรักษาศีลสองรอยี่ิบเจ็ดยิ่งรักษาศีลได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บุญมากขึ้นไปเท่านั้นแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีบุญที่เกิดจากการภาวนาการภาวนาก็มีสี่สองระดับเรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา ก็จะได้บุญมากขึ้นไปอได้ความสุขคำว่าบุญก็คือความสุขทาทานก็ได้ความสุขรักษาศีลก็ได้ความสุขมากขึ้นกว่าการทาทานภาวนาก็จะได้ความสุขมากกว่าการรักษาศีลเพราะใจจะมีความสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองทำทานนี้จะทำให้ใจสงบจากความโลภนั่นเอง จากความอยากเวลาที่เราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวนี่เราเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญเราก็จะระงับความอยากเที่ยวลงได้พอความอยากเที่ยวลดลงใจก็จะสงบนงคอใจสงบลงความสุขก็จะเกิดขึ้นมาทันทีนะการไม่ทําบาปก็เหมือนกันเวลาเราถือศีลเราก็จะไม่ทําบาปอพอเราไม่ทําบาปเราก็จะ กำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปได้พอเราไม่ทำบาปใจเราก็จะเย็ยนขึ้นสบายขึ้นต่างกับเวลาที่เราทำบาปเวลาทำบาปใจจะร้อนใจจะทุกข์พอเราไม่ทำบาปใจก็จะเย็ยนใจก็จะสบายนอันนี้ก็เป็นความสุขระดับต่างๆ ความสุขระดับทานความสุขระดับศีลเพิ่มมากขึ้นไปเป็นเหมือนขั้นบันไดความสุขของทานน้อยกว่าความสุขของการรักษาศีลความสุขของการรักษาศีลก็น้อยกว่าความสุขที่เกิดจากการภาวนาสมถะภาวนาความสุขที่เกิดจากสมถะภาวนาก็น้อยกว่าความสุขที่เกิดจากวิปัสสนาภาวนามันเป็นขั้นขั้นไป ที่พวกเราต่อไปจะทํากันรับรองได้ว่าถ้าเรามาวัดอยู่เรื่อยๆมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเราจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขชนิดต่างๆขึ้นมาเหมือนกับที่เราไปเรียนหนังสือเนะเวลาเราไปเรียนหนังสือเราก็จะรู้จักวิธีหาเงินวิธีต่างๆขึ้นมาอ รู้จักวิธีหาเงินด้วยการทำมาค้าขายรู้จักวิธีหาเงินด้วยการประกอบอาชีพมันก็จะรู้จักวิธีต่างๆมากขึ้นมากขึ้นไปเราก็จะมีความสามารถในการหาเงินหาทองได้มากขึ้นไปตามลาดับที่ ถ้าเราได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่เรื่อยๆฉันได้การที่เรามาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เหมือนกันเป็นการศึกษาวิธีสร้างบุญสร้างคุณสต่างๆนั่นเองถ้าเราไม่มาฟังเทศฟังธรรมเราจะรู้จักการทําบุญด้วยการให้ทานเพียงอย่างเดียวเราจะไม่รู้ว่านอกจากการให้ทานแล้วมีการ สร้างความบุญสร้างความสุขหรือสร้างบุญอีกหลายวิธีความจริงมีถึงสิบวิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งก็คือทานคือการให้สองศีลคือการไม่ทำบาปสามภาวนาคือการพัฒนา อบรมจิตใจให้สงบให้ฉลาดสี่การอุทิศบุญเนี่ยทำบุญแล้วเราสามารถอุทิศบุญให้กับผู้ร่วงับไปแล้วถ้าเราคิดถึงพ่อคิดถึงแม่กลัวพ่อแม่จะอดอยากเราทำบุญเราก็ส่งบุญนี้ไปให้พ่อแม่ได้พอเราได้ส่งบุญเราก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้นมาเหมือนเราสั่งพิซซ่าผ่านมือถือให้ส่งไปที่บ้านนั้นบ้านนี้ พอที่บ้านเขาโทรศัพท์กลับมาบอกโอ้ยได้รับพิชตาแล้วดีใจเหลือเกินเราก็จะมีความสุขขึ้นมาอันนี้เรียกว่าการอุทิศบุญเรากาอาการอนุโมทนาบุญก็คือการยินดีแสดงความยินดีชื่นชมยินดีกับการทําบุญของผู้อื่นบางทีเราไม่ยินดีเพราะอะไรเพราะว่าเอาเงินเราไปทํานั่นเอง แต่เมื่อเป็นเงินของของเขาและของเราเช่นของสามีภรรยาด้วยกันสามีชอบทาบุญแต่ภรรยาไม่ชอบทาบุญพอสามีเอาเงินไปทำบุญภรรยาก็ไม่สบายใจแต่ถ้าสามีเป็นคนรู้ว่าถ้าเขาไปทำบุญควรจะอนุโมทนาแล้วเขาจะได้มีรได้บุญด้วยเขาก็จะได้ความสุขขึ้นมาแทนที่จะเสียใจกับการทำบุญของสามี ก็จะได้ความสุขร่วมกับสามีเพราะว่ามันเป็นเงินของเราอพอทำแล้วเราก็ยินดีไปกับการกระทาของเราอันนี้เรียกว่าอนุโมทนาบุญ อนุโมทนาบุญนี้มีไว้สำหรับเวลาที่เราไม่สบายใจกับการทำบุญของคนอื่นแต่ถ้าเราสบายใจเราก็ไม่ต้องอนุโมทนาเพราะว่าเราสบายใจเห็นคนอื่นก็ททำบุญเรามีความสุขไปกับเขาเราก็ไม่ต้องอนุโมทนาแต่เวลาที่เราเห็นคนอื่นทำบุญแล้วเราไม่สบายใจเราเสียดายเงินหรืออะไรแล้วแต่เหตุผล ที่ทําให้เราไม่สบายใจเราก็คนรจะรีบอนุโมทนาไปอนุโมทนาบุญแล้วจะทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นมาจากการทําบุญของคนอื่นนอกจกนั้นก็ยังมีบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนคนแก่คนชราคนพิการคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าเราช่วยให้เขาอยู่กันอย่างเป็นสุขได้ เราก็จะได้บุญนะฮะแล้วก็บุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะนี้ไปอยู่กับใครจะไม่จะมีความสุขเพราะจะไม่มีใครรังเกียจต่างกับคนที่ชอบอวดเกง่งอวดแบง่งอวดรู้ ปวดตนนี่ไปอยู่กับใครมักจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนะแต่ถ้าเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนไปอยู่ที่ไหนเขาก็ยินดีต้อนรับนะมีความสุขไปอยู่กับใครก็จะมีความสุขถ้าเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็บุญที่เกิดจากการาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรม เ, เวลาฟังเทศฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดต่างๆขึ้นมาทาให้เรา มีความสุขใจพอเราสามารถเอาความรู้นี้ไปสร้างความสุขใจให้กับเรานะการฟังเทศน์ฟังธรรมจะกล่อมใจให้สงบจะกล่อมใจให้เย็นสบายต่างกับการฟังเรื่องการบ้านการเมืองฟังแล้วร้อนขึ้นมาทันทีนะใครจะเป็นนายกพักไหนจะมาเป็นโอ้ฟังแล้วปวดหัวไหมแต่พอฟังธรรมแล้วใจเย็นใจสบายมีความสุขนะ อนี้ก็เกิดบุญทีกอย่างถ้าอยากจะมีความสุขจากการฟังก็ฟังฟังธรรมกันดีกว่าเปิดธรรมะฟังกันปะต่างกับการฟังเหตุการณ์ทางบ้านเมืองฟังแล้วก็มีเรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวทําเรื่องวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิน้นนะเรื่องเศรษฐกิจฟังเรื่องเศรษฐกิจก็ก็กังวลละเศรษฐกิจจะตกจะขึ้นฟังเรื่องการเมืองใครจะมาเป็นนายกก็ปวดหัวละ อย่าไปฟังเลยเรื่องราวเหล่านี้ฟังแล้วมันน้อนใจทุกใจมาฟังเรื่องที่ทำให้เราเย็นใจดีกว่าฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้ใจเย็นใจสงบใจสบายเนบุญนี่คือบุญต่างๆบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะกับผู้อื่นถ้าเรามีธรรมะเรารู้จักธรรมะเราแบ่งธรรมะให้คนอื่นได้ ถ้าเราไม่มีเรามีหนังสือธรรมะก็เอาหนังสือธรรมะไปให้คนอื่นที่เขาไม่มีธรรมะได้อ่านก็ได้อันนี้เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นการกระทํางการกระทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นวิธีสร้างความสุขให้กับเรา ทำไมไม่ทํากันทําแล้วเกิดความสุขขึ้นมาทันทีชอบไปทําในเรื่องที่ทําให้เราทุกข์กันชอบไปชอบ ป, ปิ้งกันชอบ ป, ปิ้งแล้วก็ทุกข์เวลาเห็นของอยากได้แต่ไม่มีเงินซื้อก็ทุกข์แล้วเห็นของสวยๆงามๆแต่ดูบัญชีเพราะมันยังติดลบอยู่ถ้ารูดบัตรแล้วเดี๋ยวก็แย่เดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายก็ไม่ซื้อไม่ได้ซื้อก็จ่ายก็เสียดายเสียใจ สู้มาทำบุญดีกว่าไปเที่ยวก็ได้ความสุขเดียวเดียวกลับมาบ้านความสุขก็หายไปแล้วเดี๋ยวอยากเที่ยวใหม่ถ้าไม่มีเงินเที่ยวก็ไปไม่ได้ก็ทุกข์อีกสู้มาทำบุญดีกว่าไม่ต้องเสียเงินเสียทองถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำทานมีอย่างให้อย่างอื่นก็ได้ไม่มีเงินก็ให้ความรู้ก็ได้เป็นครูสอนเด็กนักเรียนก็ได้สอนพิเศษ ไม่เก็บค่าเลี้ยงเรียนให้ความรู้กับเขาก็เรียกว่าวิทยาทานมีธรรมะก็ให้ธรรมะไม่มีธรรมะก็มีความรู้ก็ให้ความรู้ไปไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องให้อะไรก็ได้ให้กําลังกาย ก, ายก็ได้รับใช้ผู้อื่นก็ได้ไปเป็นอ า, าสาสมาของปอเตึกตึงก็ได้อันนี้เป็นมีวิธีทําบุญอยู่ทั้งสิบประการด้วยกันเนี่ยทํา ทำบุญดีกว่าเพราะคำว่าบุญก็คือสุข n ั่นเองทำบุญแล้วเราจะมีความสุขพวกเราทุกคนเนี่ยหาความสุขกันที่ไปเที่ยวก็ไปหาความสุขกันที่ไปดื่มสุราก็ไปหาความสุขกันที่ไปติดยาเสพติดก็ไปหาความสุขกันแต่มันไม่เป็นความสุขสิมันเป็นความทุกข์เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ ไม่รู้ว่าความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันจะพลิกกลับกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาติดนั้นแล้วนี่เวลามันไม่ได้เสพมันมันจะทุกข์ติดสุราแล้วเวลาไม่ได้ดื่มสุรานี่มันจะทุกข์เนี่ยติดยาเสพติดแล้วเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์เนี่ยไม่คิดถึงตอนนั้นกันคิดแต่ตอนที่ได้เสพแต่พอเวลาไม่ได้เสพแล้วมันจะมันจะกลับเป็นความทุกข์ขึ้นมา การเที่ยวก็เหมือนกันถ้าติดเที่ยวพอได้เที่ยวก็มีความสุขพอไม่ได้เที่ยวทีนี้ก็ทุกข์เลยอยู่บ้านก็เหงาว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาหงดหงิบน้ำคาญใจพอไปเที่ยวก็เหมือนไก่บินพอกลับบ้านก็เหมือนหากิน น, นี่คือความสุขกับความทุกข์ที่เราได้จากการกระทำสิ่งต่างๆแต่ถ้าไปทำบุญตามที่พระเจ้าสอนนี้จะไม่มีหากินจะมีแต่ไก่บินอย่างเดียวไกยบินออกไกยบินเข้านะไปออกไปข้างนอกไปทำบุญก็ดีใจเสร็จจากการบบทำบุญทาบุญกลับบ้านก็ดีใจมีความสุขนะอันนี้แหละคือความสุขแท้สุขที่ไม่มีหากามตามกิน นอกนั้นวิธีอื่นๆที่พวกเราหากันเนี่ยหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นวิธีหาหามากินเราคือหาความทุกข์มาใส่หัวเราะใช่ไหมพอหาเงินได้ก็ดีใจพอวันไหนหาไม่ได้ก็เสียใจพอเงินหมดก็ทุกข์พอเวลาได้ตําแหน่งก็ดีใจพอถูกปลดออกก็เสียใจ เวลาได้รางวัลก็ดีใจพอวันไหนไม่ได้รางวัลก็เสียใจนี่มันมีความทุกข์ตามมาแต่การทำบุญนี้ไม่มีความทุกข์ตามมาวันไหนไม่ได้ทำบุญก็จะไม่รู้สึกทุกข์ที่ไม่ได้ทำบุญมีมีโอกาสทำก็ทำทำก็มีความสุขเวลาไม่ทำก็ไม่ทุกข์นี่อันนี้แหละคือการหาความสุขที่ถูกต้องต้องหาความสุขตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเราทากัน คือบุญสิบประการนี้ให้หาความสุขจากการทำทานแบ่งปันข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆ ต, ต่อผู้ที่ยากร้อยผู้ด้อยโอกาสสองอย่าไปซ้าอย่าไปทำบาปอย่าเบียดเบียนกันสามภาวนาหัดฝึกจิตทำจิตใจให้สงบหัดนั่งสมาธิกันพุทโธพุทโธกัน เวลาจิตสงบนี้จะมีความสุขมากเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ที่ใจของเหล่านี้เองอยู่ที่การภาวนาถ้าเราภาวนาเป็นแล้วนี้เราไม่ต้องหาเงินไม่ต้องมีตําแหน่งไม่ต้องมีอะไรเพราะเงินทองตําแหน่งนี้สู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้อันนี้สําคัญที่สุด ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ตรงที่ภาวนานี้เองถ้าเราสามารถภาวนาได้รีบภาวนากันเถิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการภาวนานี้เป็นอย่างไรแล้วเราจะไม่ต้องการอะไรต่อไปเราต้องการความสุขที่เกิดจากการภาวนานี้เพียงอย่างเดียวแล้วความสุขนี้จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานต่อไป ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนอย่างที่เรากําลังทํากันอยู่ในขณะนี้เนี่ยตายไปเรายังต้องกลับมาเกิดมาอีกถ้าเรายังไม่สามารถภาวนาทําจิตให้สงบได้ตลอดเวลาทําจิตให้มีความสุขได้ตลอดเวลาถ้าเรายังมีความอยากอยู่ความอยากมันจะดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถ ทำใจให้สงบตลอดเวลากําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปไม่ให้มีเหลืออยู่ในใจมันก็จะไม่มีอะไรดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ความทุกข์จะต้องตามมาเกิดมาก็ต้องทุกข์กับการเลี้ยงชีพ ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายถ้าไม่อยากจะต้องมาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ก็หัดภาวนากันหัดภาวนาเหมือนหัดว่ายน้ํานั่นเองหัดว่ายน้ําตอนนี้เราอยู่ฝั่งฝั่งของความทุกข์ถ้าเราอยากจะไปอยู่ฝั่งที่ไม่มีความทุกข์เราต้องว่ายน้ําข้ามฟากไปเราต้องหัดว่ายน้ํากันหัดภาวนากัน วิธีการภาวนานี้จะพาให้จิตของเราออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดให้เราไปอยู่ในฝั่งของพระนิพพานนั่นเองไปอยู่ในฝั่งที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดการภาวนานี้ถือว่าเป็นบุญสําคัญที่สุดเนี่ยแต่จะเข้าถึงบุญน น, นี้ได้ต้องผ่านการรักษาศีลก่อนต้องผ่านการทําบุญทําทานก่อนดังนั้นถ้าตอนนี้เรายังใช้เงินอยู่ก็เอาเงินมาทําบุญทําทาน แล้วถ้าเรายังทำบาปอยู่ก็หยุดการทำบาปด้วยการรักษาศีลแล้วเราก็จะได้มีเวลามาทำภาวนาได้มาอยู่วัดมาฝึกจิตมาทำใจให้สงบมาสอนใจให้ฉลาดให้เห็นโทษของความอยาก ว่าเป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพอเรารู้ว่าเปนตัวการสำคัญเราก็หยุดมันเสียทำลายมันเสียพอมันถูกทำลายมันหมดจิตของเราก็พ้นจากการถูกฉุดลากให้มาเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้าไปตลอดนี่คือเรื่องของการมาเติมบุญในวันพระ เพราะว่าถ้าเราไม่มีวันพระเราก็จะไม่เข้าวัดกันเราก็จะไปหาเงินหาทองหาความสุขที่กลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปแต่พอเรามีวันพระมาเข้าวัดกันได้เราก็จะได้เรียนรู้วิธีสร้างความสุขที่แท้จริงกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้สิ้นสุดลงให้หมดไป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 เอวเมวาอิโตทินางเปตางนังอุปปักปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพอปุเรนตตสังกปาจันโทปนาราโสยตาเมนิจโตติราโสยตาสัพติโยวิวัชจานโต สัพพโรโควินสตุมาเตภะวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภะวะอะิวาธนสีลิสานิจจังวุธาปะจายโนจตารโหธรรมวะทานติอายุวันโอสุขังภาณา วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จากเ c e b o o k 407ย t u b บ263วิทยุออนไลน์29ผู้รับฟังบนเขา70รวมทั้งสิ้น769ท่านค่ะมีคำถามก็ถามได้เลยค่ะคำถามจากคุณเน่ง หากเราอธิษฐานขอน้อมบุญที่เราทําไว้ในอดีตจนถึงปัจจุบันในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาเป็นพลังบุญมาเป็นพลังบุญบา ร, รมีช่วยคุ้มครองจิตเราให้มีกําลังใจเวลาที่จิตตกต่ําบ่อยๆจะทําให้บุญที่เรามีถูกเบิกมาใช้และบุญที่เรามีจะลดลงไหมคะอ๋อคำว่าอธิษฐานนี้เราแปลความหมายผิดกันนะ คำอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งเป้าไม่ใช่เป็นการขอการตั้งเป้าตั้งเป้าว่าเราจะทําอะไรเช่นอธิษฐานว่าเราจะทําบุญเนี่ยเรียกว่าอธิษฐานความตั้งใจเช่นวันนี้เราจะมาที่นี่ได้ต้องตั้งใจก่อนตั้งใจว่าวันนี้จะมาเพราะว่าถ้าไม่ตั้งใจก็อาจจะไม่ได้มา พตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่พอตั้งใจก็รู้แล้วว่าอ๋อเรามีเป้าหมายของการกระทําของวันนี้คือการมาวัดเนี่ยฉนั้นคําว่าอธิษฐานนี้แปลว่าการตั้งเป้าหมายของการกระทําไม่ใช่เป็นการขอให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มารวมพลังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่มันเป็นพลังอยู่แล้วไม่ต้องไปขอให้มันมาเป็นรวมมันก็มาอยู่แล้วอของที่มันไม่มีขอยังไงมันก็ไม่มาเฉั้นบุญต่างๆที่เราทําเนี่ยมันอยู่ในใจของเราแล้วมันเป็นพลังอยู่แล้วเราไม่ต้องไปขอให้มันมารวมมันรวมอยู่ในใจของเราอยู่แล้วทุกครั้งที่เราทําบุญมันก็จะเหมือนเติมน้ํามันเข้าไปในในร่างในใจของเราเหมือนกับรถยนต์เนี่ย แต่น้ามันทีมันน้ามันขีดมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไจากขีดที่อยู่ใกล้ตัว E ก็ขึ้นมาใกล้ตัว F งีแต่แดงว่ากลังเยอะ อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันการทำบุญต่างๆนี่เป็นการเสริมพลังให้แก่จิตใจโดยที่เราไม่ต้องมากว้านมาอธิบายมามาอธิษฐานขอให้มันมาให้กําลังใจกับเราตอนไหนที่เราหมดกําลังใจก็แสดงว่าหมดบุญนั่นเอง ถึงเวลาที่ต้องรีบเติมน้ำมันแล้วเก ม, มันไปอยู่ที่ตัว E แล้วเข้าใจไหมมันจะ empty แล้วมันจะหมดอตอนที่เราหมดกำลังใจนะแสดงว่าหมดบุญเห็นเราต้องรีบเติมบุญกันบุญตามกำลังของเราเราเติมบุญแบบไหนได้ก็เติมไปก่อนทำทานได้ก็ทำทานรักษาศีลได้ก็รักษาศีลเช่นวันนี้เลิกกินเหล้าสักวันนึงเนี่ยเเรียกว่ารักษาศีลได้ละ พอแล้วกินเหล้าได้ความมึนเมาก็หายไปการมีสติก็กลับมาทำให้มีกําลังที่จะผลักดันจิตใจให้ไปทำอะไรต่างๆได้ถ้าไปติดสุราพอเมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นี่คือเรื่องของบุญต่างๆทำแล้วมันทำงานทันทีมันส่งผลทันทีเหมือนน้ำมันในที่เติมเข้าไปในรถเติมแล้วมันทำหน้าที่ของมันทันที ไม่ต้องมาขอทิฐฐานที่รถว่าวันนี้ขอให้น้ำมันในรถจงพารถกันนี้ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนะไม่ต้องไปขอมันหร <c oughs> อกขอให้เติมน้ำมันใส่รถแแล้วมันมันจัดการของมันเองขอให้เราทำบุญเถอะทำบุญแล้วใจเราจะมีกำลังของมันขึ้นมาเองนะข้อต่อไปข้อต่อไปจากโยมเพชรนะคะ อยู่วัดมีงานครัวงานในวัดมากทําให้ทํายังไงให้จิตสงบคะถึงค่าก็ง่วงนอนทํายังไงภาวนาก็ไม่ก้าวหน้าบรคก็เราเข้าไปอยู่ในครัวเองใครก็บังคับให้เราเข้าไปนะทําทําครัวมันทําให้เราเหนื่อยเราก็อย่าไปทําหรือทำให้มันน้อยทําพอกําลังแล้วเราก็เปลี่ยนตัวไปภาวนานใช่ไหมถ้าเราไป หมกมุ่นไปติดอยู่กับนงในครัวมันก็เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องทําครัวพอถึงเวลาจะไปนั่งสมาธิมันก็ไม่มีแรงมันก็อยากจะนอนซะมากกว่าดันั้นเราก็ต้องพยายามเด็กเลีเ้ยงเข้าลงครัวถ้าไปอยู่วัดที่เขาบังคับให้เข้าครัวก็อย่าไปสิไปอยู่ที่เขาไม่บังคับที่นี่เขาไม่บังคับให้เข้าครัวที่วัดยานเขาบังคับให้เข้าโบสถ์ให้ไหว้พระสดวดมนต์ให้นั่งสมาธิ แต่เขาไม่บังคับให้เขาทำโรงครัวกันเพราะเขาเห็นเขาเห็นวัดยานผูท้ที่ก่อตั้งวัดยานเขาเคยไปอยู่ตามวัดต่างๆแล้วเขาเาคยเห็นสมอลภูมิเนียโรงครัวกันเขาก็เลยไม่อยากจะให้ญาติโยมที่มาอยู่วัดนี้เข้าครัวกันเข้าใจมเ้าเลยปิดโรงครัวเนี่ยเนยวัดยานนี้ไม่มีโรงครัว พอรู้ว่าพอเข้าครัวแล้วมันเดี๋ยวจะตีกันดิอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันอคนนี้ก็หม้อของฉันจานของฉันเดี๋ยวก็วุ่นวายกันนี่ยนะนะไงก็ถึงไม่มีโองครัวเอค่ะคําคถามจาคุณอารยากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ จริงไหมเจ้าคะที่เราได้ร่วมทำบุญกับคนรักหรือเพื่อนสนิทจะส่งผลให้ได้เกิดมาพบเจอร่วมใช้ชีวิตด้วยกันอีกในทุกภพชาติมันก็แล้วแต่ว่าทำมากทำน้อยร่วมกันถ้าอยาให้มันแน่ๆก็ทำทุกอย่างพร้อมกันเป็นเหมือนแฝดสยามเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวชาติหน้าก็ได้มาเป็นแฝดสยามนี <laughs> ่แบบนี้ก็ไม่เอาเอีกเห็นไหให้ติดเป็นแฝดสยามนี่ก็ไม่เอา <laughs> ถ้าไม่เป็นแฝดสยามนี่มันไม่อยู่ด้วยกันมันไม่ได้ทําอะไรพร้อมกันทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ต้องไม่ทันกันแหละมือนขับรถอ่ะใช่ไหมขับรถสองคันนี่ถ้าไม่เอาเอาเชือกผูกติดไว้ให้มันติดกันเดี๋ยวถ้าต่างฝ่ายต่างขับเดี๋ยวคันหน้าเร็วกว่าคันหลังเดี๋ยวมันก็ผ่านไฟแดงไปก่อนคันไม่ติดไฟแดงมันก็ไม่ทันกันล่ะ นั้นโอกาสที่จะไปเจอกันข้างหน้านี้ยากเยรานั้อย่าไปฝันมันเลยก็เจอกันตอนนี้แล้วก็ดีแล้วชาติก่อนไม่ได้เจอกันก็ทำไมมาเจอกันตอนนี้ก็อยากจะเจอกันแล้วเดี๋ยวชาติหน้าก็ไปเจอคนใหม่มันก็อยากจะเจอกันแบบเก่าอีกแล้วั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องที่จะไปเจอคนที่ถูกใจมันมีทุกภพทุกชาติเนี่ยเราไปเกิดทุกภพทุกชาติมันจะเจอทั้งคนที่ชอบคนที่ชังเน่ มันไม่ต้องกลัวหรอกเหมือนของนี้มันหนีไม่พ้นมันเป็นเรื่องปกติของการเวียนว่ายตายเกิดงนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าโอ้จะต้องไปเจอกับคนนี้ทุกภพทุกชาติหรอกเพราะคนนี้ก็เพิ่งมาเจอชาตินี้ชาติเดียวนะเดี๋ยวชาติหน้าก็ไปเจออีกค น, นก็อยากจะเจอทุกภพทุกชาติเหมือนกันเองแหละัน <laughs> มันมีตัวตายตัวแทนคือผู้สรุป พอเกิดมาพบคนคนนี้เดี๋ยวข้างหน้าก็ไปเกิดพบอีกคนที่ชอบเหมือนกันแบบเดียวกันรักแบบเดียวกันเหมือนกันนั่นมันก็เหมือนคนเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลเพราะน้ําย่อมเข้าหาน้ําน้ํามันย่อมเข้าหาน้ํามันถ้าเราเป็นทําคนดีเราก็จะได้คนดีถ้าเราทําตัวไม่ดีเราก็จะได้คนไม่ดีมาเป็นมิตรเนี่ยเพราะคนไม่ดีชอบคบกับคนไม่ดีใช่ไหมคนโกหกชอบคบกับคนโกหก คนกินเล่าชอบคอบกับคนกินเล่าเนีย่ยองนั้นมันเป็นเรื่องการกระทำของเราเราทําอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นกลับมาหาเราอยากจะคบคนดีเราทําตัวคนเป็นคนดีเดี๋ยวก็ได้เจอคนดีถ้าไม่อยากจะเจอคนไม่ดีก็อย่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็จะไม่เจอคนไม่ดีเพราะเวลาเราเจอเราก็ถอยใช่ไหมเวลาเรามาเจอคนที่เราไม่ชอบเราก็ถอยใช่ไหมเวลาเราเจอคนที่ชอบเราก็เข้าหา ไม่ว่าจะดีแล้วไม่ดีก็ตามถ้าเราชอบเราก็เข้าหาเขาถ้าเราชอบไม่ดีเราก็จะเข้าหาคนไม่ดีถ้าเราชอบดีเราก็จะเข้าหาคนดีฉะนั้นขอให้เราทำตัวเราดีไว้ก็ลกแล้วกันเราทุกภพทุกชาติของการมาเกิดของเราเราก็จะได้พบกับคนที่ดีที่เราชอบไม่ต้องกังวลว่าจะทำบุญแบบไหนในขณะนี้ถึงชาติหน้าจะได้ไปเจอกันอีกอันนี้ยากเพราะว่ามันเป็นของที่มัน เหลือวิสัยของเราที่จะทำได้เนี่ยงั้นก็ขอให้เราทำความดีไปก็กแล้วกันแล้วเราก็จะได้พบคนดีๆแบบที่เราคบที่เราพบในชาตินี้คนดีแบบนี้มีเยอะแยะเหมือนกันเป็นเหมือนแปดสยามไปเกิดชาติหน้าก็จะเจอคนแบบนี้แล้วเราก็จะชอบเขาแล้วอยากจะคบพบเขาอีกในชาติต่อไป เหมือนกับคนที่เราพบชาตินี้แล้วก็เพิ่งพบชาตินี้ใช่ไหมแต่พอพบปั๊บถูกใจก็อยากจะพบทุกชาติเลยฉะนั้นทำความดีไว้แล้วเราก็จะได้ของดีทำไม่ดีเราก็จะได้ของไม่ดีมาเป็นของของเราคำถามต่อไปจากคุณพีโกเรียนถามพระอาจารย์ ที่กล่าวว่าจิตเกิดดับเร็วมากนั้นหมายถึงนามขันสี่หรือเฉพาะวิญญาณขันเท่านั้นที่เกิดดับเร็วครับออทั้งสี่มันไปเป็นพวงเลยนามขันนี่มันไปเป็นพวงไปพร้อมกันมันทํางานร่วมกันเป็นเหมือนรถยนต์เนี่ยรถยนต์นี้มีเครื่องจักรหลายชนิดอยู่ในรถยนต์มันทํางานพร้อมกันมันล้อก็หมุนลูกสูบก็สูบขึ้นสูบลงครับ ใบพัดลมมันก็หมุนเนี่ยมันทำงานพร้อมกันพอเราใช้กุญแจปิดสตาร์ทปุ๊บมันก็ทำงานทันทีพร้อมๆกันไปนาฬิกันี่มันเป็นเหมือนเครื่องจักรที่มันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันพรอตัวหนึ่งทำงานปุ๊บอีกตัวสามตัวมันก็จะทำตามทันที <c oughs> พอวิญญาณไปรับภาพรับสัญญาก็จำภาพทันทีสังขารก็เวทนาก็พอจำภาพว่าเป็นภาพดีไม่ดีเวทนาสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีพอก็สุขทุกข์สังขารก็ปรุงแต่งทันทีว่าจะเอาไงดีสุขก็ถอยสุขก็เข้าหาทุกข์ก็ถอยนี่มันทำงานทันทีเป็นทีมคำถามจากคุณกือกราบนรมสการถามครับ ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าจิตออกจากสมาธิให้พิจารณากายผมภาวนาหลายๆปีจิตจึงจะลงรวมทีหนึ่งถ้าจิตไม่รวมเราพิจารณากายได้ไหมครับหรือควรมุ่งไปทําจิตรวมเพียงอย่างเดียวก่อนถ้าถ้าถ้าทำตามหลักก็ควรจะเอาจิตรวมก่อนเหมือนกับก่อนที่จะไปบวกลบคูณหารได้ก็หัด ท่องหนึ่งสองสามให้ได้ก่อนจำหนึ่งสองสามให้ได้ก่อนโดยก่อนที่จะไปเขียนนิยายก็หัดกอไก่ขอไข่ก่อนนะถ้ากอไก่ขอไข่ยังไม่ได้เขียนนิยายไม่ได้ถ้ายังไม่มีสมาธิถึงแม้จะไปพิจารณาทางปัญญามันก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะจะไม่สามารถเอามาใช้กําจัดกิเลสได้นะ เพราะใจไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนให้ไปฆ่ากิเลสไม่มีกำลังที่จะฆ่ากิเลสยางนั้นควรที่จะฝึกสมาธิให้ได้ก่อนพอได้สมาธิแล้วก็ไปทางปัญญาอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เลยว่า อ, าอะไรนะศีลเป็นเครื่องอบรมสมาธิสมาธิเป็นเครื่องอบรมปัญญาปัญญาเป็น ผู้สนับสนุนให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็เป็นผู้สนับสนุนให้ฆ่ากิเลสให้ตายหมดนั่นเองงั้นมันเป็นงานที่เป็นเหมือนขั้นบันไดเหมือนกับการศึกษาก่อนจะเรียนวิชานี้ได้ต้องเรียนวิชานี้ก่อนก่อนจะเรียนตีโกนได้นี้ต้องไปเรียนบวกลบคูณหารให้ได้ก่อนถ้าไปเรียนบวกลบคูณหารไม่ได้ไปเรียนตีกรไม่ได้ไปเรียนอลจิบราไม่ได้อลจิบาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไร พิจักกนิษฐ์เนี่ยมันต้องมีมันมีต้องมีต้องมีวิชาล่วงหน้าก่อนถึงจะทำวิชาต่อไปได้วิชาปัญญานี้ต้องมีต้องมีสมาธิก่อนวิชาสมาธิก็ต้องมีศีลแปดก่อนมันเป็นเครื่องสนับสนุนกันแต่ก็อาจจะทำไปได้แบบ คบคู่กันไปบางอย่างเช่นศีลแปดกับการภาวนาสมาธิมันก็ต้องทําควบคู่กันไปแต่ถ้าไปภาวนาโดยไม่มีศีลแปดก็มันก็ภาวนาไม่ได้นะภาวนาเบื้องต้นก็อย่าพึ่งไปใช้ปัญญาเพราะใช้ปัญญามันก็จะทําให้ใจไม่สงบมันต้องใช้ความคิดเวลาทําสมาธิต้องการหยุดความคิดยิ่งการเจริญปัญญากับการเจริญสมาธิมันไปคนละทิศกันเจริญสมาธิ ต้องต้องหยุดความคิดเจริญปัญญาต้องใช้ความคิดเนี่ยอห็นถ้าคุณมาเจริญสมาธิแล้วมาใช้ปัญญามันก็กลับมาคิดใหม่มันกลับมาคิดใหม่เวลาจะกลับไปทำสมาธิใหม่มันก็ยากอีกนะอย่างนั้นก็ต้องทาอย่าเพิ่งไปทำปัญญาทำจิตให้สงบจนเราสามารถ ควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ตลอดเวลาที่เราต้องการทีนี้เราตึงค่อยมาคิดทางปัญญาได้เพราะเมื่อเรารู้จักหรือมีกำลังหยุดความคิดเราจะหยุดมันเมื่อไหร่ก็ได้แล้วทีนี้ทีนี้เราก็เอาไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้ได้คิดเสร็จแล้วต้องการหยุดคิดเราก็หยุดได้แต่ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่เป็นพอไปคิดทางปัญญามันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมามันก็หยุดไม่ได้ เังงัต้องทาตามขั้นตอนดีกว่าศีล ส, สมาธิปัญญาศีล ส, สนุศีล ส, สนับสนุนสมาธิสมาธิสนับสนุนปัญญาปัญญาสนับสนุนจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยคำถามจากคุณเป้าปฏิบัติจนกำหนดรู้ที่จิตอยู่อย่างนั้นเห็นจิตสองมิติคือจิตกับอารมณ์จิตไม่ใช้สามมิติผิดใช่หรือไม่คะ ไม่รู้เหมือนการผิดหรือเปล่าการฝึกสมาธิเพื่อให้มันเหลือมิติเดียวให้เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวไม่ให้มีอารมณ์ต่างๆปรากฏมาให้เห็นให้จิตว่าง ักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาถ้ายังไม่ไปถึงจุดนั้นก็ถือว่ายังไปไม่ถึงเป้าการปฏิบัติถ้ายังไม่ถึงเป้าก็ต้องเพ่งอย่างเดียวเพ่งลมหรือพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับมิติต่างๆที่ปรากฏมาให้เรารับรู้ถ้าไปสนใจมันก็จะทําให้เราหลงทางไปจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือความว่างความมิติเดียวให้เหลือมิติเดียวที่เรียกว่าเอกัตาลม ใจเป็นหนึ่งนี่เอกัคะก ะ, ะนหนึ่งเอกไงเอ ก, เอกว่าหนึ่งใจอยู่ในมิติเดียวคือคือรู้อย่างเดียวรู้อยู่กับความว่าง<ม>ความว่างนี้ไม่มีอะไร<ม>แต่ถ้ามีนู่นมีนี่ให้เห็นก็เป็นสองมิติสามมิติขึ้นมาก็แสดงว่ายังไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วมิติต่างๆจะหายไปหมดเหลือมิติเดียวคือตัวรู้ตัวนี้ไม่มีวันหาย เพรราะตัวน น, รรนี้ป็ธคำถามจากคุณเชยร์เบลกราบเรียนถามพระอาจารย์หนูหัดฝึกภาวนาอาณาปนาสติอยู่ตลอดทั้งวันจิตหลุดก็ดึงกลับมาเพราะทำงานเงียบๆอยู่คนเดียวก็จะกำหนดรู้ลมเข้าออกทำให้ไม่คิดอะไรและนั่งสมาธิทุกวันแต่หนูไม่ค่อยได้สวดมนต์แบบยาวๆหนูทาแค่สวดมนต์สั้นๆก่อนนอน แบบนี้ทำได้ไหมคะเพราะไม่ค่อยมีเวลาสวดยาวๆเลยค่ะแต่ทุกวันนี้ถือศีลห้าคู่ไปด้วยค่ะ อ, อ๋อไม่ต้องสวดเลยก็ได้ถ้าเราดูลมได้ก็การสวดมนต์ก็ไม่สาคัญไม่จาเป็นการสวดมนต์ที่จาเป็นสาหรับผู้ที่ยังดูลมไม่ได้จิตยังไม่มีกำลังที่จะดูเข้าดูลมได้ก็ต้องอาศัยการสวดมนต์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ก่อนถ้าไม่สวดเดี๋ยวใจคิดพุ่งร้าน เนถ้าแต่ถ้าเรามีสติมากพอที่จะดูลมได้เราไม่ต้องสวดนะดูลมไปเลยอ<ม>เพราะการดูลมนี่จะทําให้จิตสงบได้มากที่สุดได้ลึกที่สุดลึกกว่าการสวดการสวดนี้เป็นเพียงแต่ดึงใจให้ออกจากความคิดต่างๆเพื่อจะได้ให้มาดูลมต่อไปได้แต่ถ้าเราดูลมได้แล้วก็ไม่ต้องสวดนะ <c oughs> หมดแล้วเหรอมีอีกค่ะต่อไปคําถามจากคุณพัชชา กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะณปัจจุบันมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความเบื่อหน่ายสังคมรอบๆกายไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานคนรอบข้างและแม้กระทั่งญาติญาติาตาตพยายามจะตัดบ่วงทั้งหลายออกแต่รู้สึกว่าตัดยากมากๆค่ะโดยเฉพาะครอบครัวและเท่าที่ติดตามฟังธรรมจากพระอาจารย์ทุกๆวันยิ่งเพิ่มความเบื่อหน่ายทั้งโลกมากขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์โปรดชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ คือความเบื่อนี้มันก็เป็นอาจจะเป็นแบบชั่วคราวก็ได้เบื่อๆอยากๆเวลามีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามามันก็ทำให้เราเบื่อเดี๋ยวเกิดถูกรอเตอรลี่รางวัลที่หนึ่งมันก็หายเบื่อได้ดังนั้นความเบื่อเหล่านี้อย่าไปเป็นอารมณ์อย่าไป กังวลกับมันให้รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เวลาเราอยู่ในภาวะที่ไม่มีความสุขเราก็เบื่อแต่พอเราไปอยู่ในภาวะที่มีความสุขทุกเราก็หายเบื่ออันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการเบื่อจริงการเบื่อจริงต้องเบื่อด้วยปัญญาต้องเห็นว่าการอยู่การหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข อันนั้นนะถึงจะเรียกว่าเบื่อจริงถ้ามันเห็นเบื่อแบบปัญญามันก็จะมันก็จะออกไปหาความสุขที่แท้จริงได้ไปหาความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติทมการภาวนาได้ฉะนั้นต้องดูว่าความเบื่อของเราเป็นแบบไหนถ้าเบื่อเพราะเราอยู่กับเหตุการณ์บุคคลที่น่าเบื่ออันนี้มันก็มันก็ทำให้เราเบื่อแต่พอเราไปเจอบุคคลที่น่ารักขึ้นมามันก็หายเบื่อได้ ออันนี้ก็ยังถือว่าไม่ใช่เบื่อจริงเบื่อแบบเแบบืแบบ่อตามเหตุการณ์ถ้าจะเบื่อจริงต้องเห็นว่าไม่ว่าคนที่เราชอบไม่ว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์กับเหตุการณ์มันก็น่าเบื่อทั้งนั้นเพราะสุขมันก็สุขไม่นานสุขแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปมันก็ต้องกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือไม่ชนะมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วมันก็เป็นของน่าเบื่อทั้งสองอย่างมันต้องเบื่อทั้งสุขทั้งเบื่อทั้งทุกข์มันถึงจะเบื่อจริง ถ้าเบื่อทุกข์แต่ยังไม่เบื่อสุขอยู่นี่แสดงว่ายังไม่เห็นด้วยปัญญาว่าสุขมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะว่าสุขมันไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขมันก็ต้องหมดพอหมดทีนี้ก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเบื่อด้วยปัญญาเบื่อพระเห็นว่าไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์มันก็ทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ก็ชัดอยู่แล้วสุขนี้มันไม่ชัดเพราะสุขมันบังความทุกข์ไว้นั่นเอง แต่พอสุกหมดไปปั๊บทุกข์ก็โผล่มาให้เห็นทันทีต้องต้องเห็นด้วยปัญญาถึงจะเบื่อจริงแลวจะไม่หวนกลับไปจะมีแต่ความเพียรพยายามที่จะถอยออกอย่างเดียวไม่ว่าจะมีความผูกพันมากน้อยกับใครก็ปัญญาตัวนี้มันจะตัดได้หมดคำถามจากคุณวันนิพากรบน้ัมการเจ้าค่ะพระอาจารย์ ตอนนี้โยมตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆตามกำลังจนกว่าสติปัญญาของตัวเองสมบูรณ์แล้วจิตพร้อมที่จะบวชจริงๆแล้วโยมจะขอบวชชีไปตลอดชีวิตกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมสามารถเลือกบวชชีที่วัดยานได้หรือเปล่าเจ้าคะที่วัดยานก็ไม่รับบวชบวชชีนั้นต้องไปบวชที่วัดอื่นเพราะที่ไม่มีที่ที่จะรับรับรอง บวชแบบพวกที่มาอยู่นุ่งขาวห่มขาวได้ครั้งละเจ็ดวันแต่ถ้าจะมาบวชชีอยู่ถาวร น, นี่ไม่ไม่มีที่ไม่มีผู้ดูแลต้องไปหาวัดที่เขามีสำนักแม่ชีอยู่หรือถ้าบางท่านก็บวชชีแล้วก็อยู่บ้านเป็นชีบ้านไปอยู่คนเดียวเหมือนกับอยู่วัดอันนี้ก็ได้เหมือนกัน สาได้ถ้าบวชแล้วได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันดีกว่าบางทีไปอยู่วัดแล้วแทนที่จะไปศีล ส, สมาธิปัญญากลับไปทำงานในโรงครัว <c oughs> <c oughs> อ่บางวันเขาเป็นวิธีฝึกว่าเขาไม่ดู <c oughs> เขาไม่อยกแยวะว่าคนระดับไหนทุกคนมามามาเข้าวัดก็ต้องเข้าครัวก่อน <c oughs> แล้วค่อยไต่เ ต, ต้าออกไปทีนึง <c oughs> คำถามจากคุณออทูการดูลมทำยังไงคะทำยังไงกันก็เหมือนดูหนังเนะยยากตรงไหนแล้วดูหนังเป็นไหมล่ะดูหนังก็ดูที่จอดูลมก็ดูที่จมูกงันเลจะดูที่ไหนดูที่เวลามันหายใจเข้ามันต้องเข้าที่จมูกใช่ไหมหายใจออกก็ต้องออกที่จมูกแต่ถ้ามองไม่เห็นไม่รู้สึกที่ปลายจมูกก็ดูที่กลางหน้าอกก็ได้ ทีเรียกว่ายุบหนอพองหนอ่อเวลาหายใจเข้า อ, อกมันนะมันพองออกมาเวลาหายใจออกหน้า อ, อกมันก็ยุบลงไปก็เรียกว่ายุบหนอพองหนอ่อก็มีที่ที่ดูได้สองที่ดูที่ปลายจมูกบริเวณที่ปลายจมูกที่เวลาลมเข้าลมออกลมมันจะสัมผัสอยู่แถวปลายจมูกหรือบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาก็ดูตรงนั้นดูเฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปนับลม บางคนมันก่อนฝรั่งมาเล่าว่าเวลาดูลมเข้าก็นับว่ามันกี่วิเวลาอมลมออกก็กี่วิอันนี้เบื้องต้นถ้าอยากจะทำก็ได้เพื่อให้ใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้มันมามามานับว่าเวลาหายใจเข้ามันกี่วิหายใจออกกี่วิแต่มันจะยุ่งยากถ้าดูลมเฉยๆได้ก็ดูลมเฉยๆไปก็พอถ้ามันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ ถ้ามันไปกินเรื่องนีน้เรื่องนี้ก็อาจจะใช้พุทธโธแทนก่อนก็ได้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก่อนเริ่มพุทธเข้าโธออกก็ได้แล้วแต่วิธีแต่ละคนนี้ต้องจัดต้องค้นคว้าหากันเองบางคนดูแล้วก็ดูว่ามันเข้าไปกี่วิออกมาจะได้รู้ว่ามันสั้นหรือยาวเพราะลมมันบางทีก็สั้นบางทีก็ยาวแต่ไม่ได้โกาสที่จะรู้เรื่องของลม เราต้องการใช้ลมเป็นเหมือนที่เกาะใจผูกใจเหมือนเวลาเราไปไว่ายน้าแล้วเราไปเจอเส า, เร า, าเราไม่อยากไม่อยากว่ายเราก็เกาะเสาเรากเกาะเสาเราไม่ต้องไปดูว่าเสานี้เป็นไม้อะไรใครเป็นคนปักเสานี้สร้างเสานี้ขึ้นมาไม่ต้องไปศึกษาเรื่องของเสาเราต้องการอาศัยเสาเป็นที่ยึดเหนี่ยวร่างกายเราไม่ให้ไหลไปตามกระแสน้ำนี่เท่านั้นเอง ใจเราก็มีกระแสะใจที่คอยดึงใจให้เราไหลไปตามความคิดต่างๆถ้าเราต้องการหยุดคิดเราก็ต้องมีเสาไว้เป็นที่ยึดของใจเสาก็คือกรรมฐานต่างๆ4ี่สิบชนิดอานาปนาสติการดูลมหายใจก็เป็นเสาชนิดหนึ่งที่เราใช้เกาะเอาใจไปเกาะไว้อยู่กับลมแล้วจะได้ไม่ไหลไปกับความคิดต่างๆคำถามจะกคุณปิยมล กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ<ม>ถือศีลแปดหรืออุโบสถศีลแล้วจําเป็นต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางศีลจะขาดหรือด่างพร้อยหรือไม่เจ้าคะก็ไม่นขาดตรงไหน น, นอกากขาดหร่า น, นอกจากไปไม่จา่ า, ายค่ <laughs> <laughs> ามอเตอร์ไซค์ถ้าซ้อนเสร็จพอลงก็เดินไปเลยไม่จ่ายค่ารถนี้มันก็ผิดศีลนี่ คำถามจากคุณสุดทางรักเรียนถามพระอาจารย์ครับรู้สึกเบื่อหน่ายทำงานก็ไม่มีความสุขเจอแต่คนนินทาจนทุกข์ใจมากแบบนี้ไปบวชได้ไหมครับบวชได้ทั้งนั้นนะ่ะแต่ไปบวชแล้วจะอยู่ได้หรือเปล่านั้นนะพอไปบวชปั๊บเดี๋ยวก็คิดเบื่อวัดอีกเบื่อวัดก็อยากจะกลับไปทำงานอีก ก็เรียกชายสามโบสถเนี่ยโบวถขครั้งหน้าบสถพอบวถไปสักพักก็เบื่อเบื่อก็เสร็จขอกลับไปทํางานก็เบื่อก็กลับมาบวถอีกกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชายสามโบสถ์ถ้าบวถแบบนี้ไม่ดีพอบวตแบบไม่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อหลักบวถตามอารมณ์เวลาเบื่อก็บวตเวลาเบื่อวัดก็เสร็จแล้วก็ อย่างนี้มันก็กลับไปกลับมาเพราะอารมณ์ของเรามันพลิกไปพลิกมาอยู่เรื่อยๆ ย, ยนันต้องบวชแบบแบบไม่สศึกถึงเงี้เรียกว่าบวชจริงบวชแล้วต้องไม่สึกบวชไปศึกก็เฉพาะเวลาตายเนทะ้านั้นเวลาพระตายนี่ก็ถือว่าพระขาดจากความเป็นพรนะแล้วเวลาตายคำถามจากคุณธีระชาติกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับ การดูหมอเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลเสียอะไรหรือเปล่าครับเพราะคนใกล้ตัวห่างการดูหมอไปแล้วแต่ตอนนี้เริ่มกลับไปดูหมอและเชื่ออย่างมากด้วยครับออก็เหมือนกับไปไปเรีนเรื่องที่ไม่จริงอ่ะเรียนเรื่องที่ไม่จริงมันก็มันก็ได้เรื่องที่ไม่จริงมาเราก็ไม่ได้ความรู้ได้ความรู้ปลอมใหท่นั้นเองมันก็ทำให้เรา ทำอะไรผิดผิดถูกถูกต่อไปที่เราถ้าเราไปเรียนความรู้จริงเราก็จะทำอะไรตามความเป็นจริงได้เรื่องของหมอนี่มันเรียกว่าหมอดูหมอเดาเดากันไปเดากันมาไม่มีไม่มีพื้นฐานของความเป็นจริงรองรับ เป็นความบังเอิญะพอทานายไทยทักก็พอดีตรงกับที่เขาทำนายไทยทักขึ้นมาก็รายกายคิดว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจังขึ้นมาคะคำถามจะคุณบัวแซมการดูรูปนามดูอย่างไรอถ้ายังไม่รู้อย่าเพิ่งไปดูเลยดูลมก่อนดีกว่าเน่ยอันนั้นกั้นวิปัสสนาลนะเอาขั้นสมาธิก่อนดูลมหายใจดูพุโทโธไปก่อนเนี่ย คำถามจะคุณธวัฒจิตหลุดพน้นมีอาการอย่างไรครับก็เหมือนคนออกจากคุกเนี่ยอาการเป็นยังไงเวลาอยู่ในคุกกันอยู่นอกคุกเป็นยังไงเหมือนกันไห อ, อจิตหลุดพ้นก็หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บกับคนที่เจ็บอยู่โรงพยาบาล น, นี่เหมือนกันไหมเวลาเราเป็นไข้แล้วราเวลาหายจะหายไข้เป็นยังไงอาการเหมือนกันไหม ไม่เหมือนใช่ไหมนั่นแหละเวลาเราทุกข์แล้วเราหายทุกข์มันก็ไม่เหมือนกันคำถามจากคุณซีนวันนี้ฟังพระอาจารย์พูดเรื่องความฝันเป็นความจิต เ, เป็นความจิตความจริงเป็นความครับพิมพินเพราะเรารู้สึกจริงๆแต่เมื่อเวลาโยมฝันโยมม า, มมารู้สึกตัวว่าตนเองกำลังฝันอยู่ แบบนี้หมายถึงจิตของเราเป็นจริงหรือคะหรืออย่างไรช่วยชี้แนะตอนนั้นยังไม่หลับเลยแล้ฝันแบบดืมตาไงหรือฝันแบบยังตื่นอยู่ถ้าเรายังรู้ว่าเรายังเรายังคิดอยู่ยังฝันอยู่ก็เหมือนเรานั่งนั่งทํางานไปแล้วก็ฝันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีเนาะอย่างนู้นอย่างนี้เมื่อไหร่จะถูกหวยสักทีอันนี้ก็เป็นความฝันแบบลืมตาฝันว่ารู้ว่ากำลังฝัน มั น, นก็มีฝันสองแบบฝันแบบไม่รู้ว่าฝันฝันแบบว่ารู้ว่าฝันก็คือรู้ว่ากำลังคิดเพอ้อฝันไปต่างๆนานา น, า น, นั่นเองแสดงว่ายังไม่หลับสนิทเนี่ยไม่หลับสนิทมันก็ยังมีสติรับรู้อยู่ถ้าหลับสนิทแล้วมันจะไม่รู้แล้วคําถามจากคุณพีโกเวียนถามพระอาจารย์อารมณ์ที่จิตรับรู้จัดเป็นเวทนาขันใช่ไหมครับ คือความรู้สึกนี้เรียกว่าเวทนามีสามชนิดมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาคำถามจะคุณเปลียนเรียนถามพระอาจารย์การขอโทษกับการขออโหสิกรรมเหมือนกันไหมครับก็คล้ายๆกันเนะ่ะเวลาเราไปเหยียบเท้าเขาแล้วเราก็ขอโทษก็หมายว่าขอภยัยขออโหสิกรรมอย่ากดผมเลยอย่าจองเวรจองกรรมผมเลย คาถามจากคุณแสงเดือนการนั่งสมาธิจิตไม่ค่อยนิ่งจะทำอย่างไรจิตถึงจะนิ่งคะเพราะไม่มีสติไงต้องฝึกสติต้องสร้างสติขึ้นมาต้องหมั่นพุโทโธทั้งวันทั้งคืนหรือหมั่นดึงจิตให้อยู่กับการกระทำต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับเหตุความรู้สึกนึกคิดต่างๆให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่หรือให้อยู่กับพุโทโธ แล้วต่อไปเวลานั่งมันก็จะนิ่งจะสงบได้หมดแล้วนะมีใครอยากจะถามไหมคําถามสี 8, แปดจะตีที่ฟ้ามันจะใสเข้ามาถึไมูใชายขาหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันคือไม่ไม่ควรจะแตะต้องหญิงชายไม่ควรจะแตะต้องตัวกันเพราะมันจะเดี๋ยวไฟจะลุกหรือไฟกลามมันจะลุกได้ถ้าถือสีแปดก็ ก็ไม่ควรที่จะไปแตะเนื้อต้องตัวกันแล้วก็ถ้าเป็นผู้ที่ถือศีลก็การกระทำอะไรบางอย่างถึงแม้ไม่ผิดศีลแต่มันมันส่อต่อการผิดศีลก็ไม่ควรทำหรือมันไม่เหมาะสมไม่สวยงามเช่นให้พระขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเอมันก็ไม่น่าดูเอมันก็แต่มันไม่ผิดศีลแต่มันไม่มันไม่สวยงามมันไม่เหมาะกับผู้ที่มีศีลเออ มีคําถามจากคุณแม่ยอดยาหยีค่ะมีครั้งหนึ่งที่นั่งสมาธิแล้วรอบตัวเกิดความมืดแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคือภาวะอะไรคะเคยเจอครั้งเดียวค่ะทําไมมาถามเราภาวะอะไรไม่คุณเจอมันคุณไม่ถามมันอ่ะมันไอ้นี่คือภาวะอะไร คือการภาวนาไปมีผลอะไรก็รู้มันไปนตามความที่มันเป็นก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะให้มาถามเราถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นอย่างน้นาี้เราพูดไม่ได้เราเพราะมันคุณมาอธิบายแบบไม่ละเอียดมันไม่ตรงกับสิ่งที่เรารู้เก็เลยพูดไม่ได้ไม่รู้จะตอบว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือไม่รู้ คำถามจะคุณเจริญเรียนถามพระอาจารย์การทำบุญชำระนิสงควรทำอย่างไรครับอก็เอาเงินให้วัดไปก็ชำระนิสงเราไปวัดเราไปใช้ห้องน้ำห้องถ่าใช้น้ำใช้ไฟของวัดของวันี้วัดต้องเอาต้องไปจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าต้องไปจ่ายให้กับโรงประปาะเราใช้น้ำใช้ไฟของวัดก็เหมือนเราก็เป็นหนี้ของของวัดไป แล้วก็อยากจะไม่เป็นหนี้เราก็ทําบุญค่าน้ําค่าไฟไปถามเขาว่าบอยจาคค่าน้ําค่าไฟไว้ตรงไหนคนในวัดเขาบอกเองอใส่ในตู้นั้นใส่ในตู้นี้หรือใส่ชองอะไรก็ว่าไปอื่ถ้าไม่ทําก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะทางวัดไม่ถือว่าเป็นหนี้ <Yeah. S 1> คําว่าเพราะว่าน้ําไฟหรือของต่างๆที่วัดมีไว้นี่ก็ มีคนผู้มีจิตศรัทธาเขาบรยจาคอยู่แล้วเพื่อลองรับต้อนรับคนที่อยากจะเข้าวัดคนที่เข้าวัดไม่มีเงินจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็ไม่ถือว่าเป็นนี่สงอันนี้เป็นเพียงแต่คําพูดที่เขาใช้กันว่าเป็นนี่สงแต่ความจริงมันไม่มีใครเป็นนี่สงเวลาเข้าวัดเนี่ยเพียงแต่ว่าทําบุญเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของวัดนค่าน้ําค่าไฟค่า ทำความสะอาดอะไรต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายถ้าเราอยากจะให้วัดอยู่ต่อไปได้เราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายวัดบางทีอาจจะต้องปิดก็ได้ลือ ม, มาวัดแล้วไม่มีน้ำเข้าห้องน้าไม่มนีน้ำไม่มีน้ำลาดเวลามืดก็มองไม่เห็นไม่มีไฟหมดหรือยัง ค, ค่ะีค่ะคาถามจากคุณศักดิ์สิทธิ์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ การแสดงละครเป็นการมุสาไหมครับอ่าไม่รู้เหมือนกันนะก็มันมเป็นเรื่องจริงก็เปล่าถ้าไม่เรื่องจริงก็แต่มันไม่ได้เป็นการโกหกเราบอกให้รู้เรื่องหน้าก่อนว่านี่เป็นเรื่องโกหกก็เลยไม่ใช่เรื่องโกหกใช่หไหมแต่ถ้าไปบอกเขาว่าเป็นจริงแต่มันไม่เป็นจริงอย่างนั้นถึงจะโกหกแต่ถ้าบอกวล้ลเรื่องหน้านี้เรื่องนี้ไม่จริงนะมันก็ไม่โกหกหมดแล้วนะ มีคําถามนึงค่ะแต่ไม่ไ ม, ไม่รู้จะอ่านชื่อ ถ, ถูกไหมเป็นภาษาลาวอาเอาแต่เขียนภาษาไทยมาไม่ต้องไม่ต้องอ่านชื่อก็ได้เา ร, รียนถามพระอาจารย์ทําอย่างไรจึงจะละการได้เร็วขึ้นละการต้องดูซากศพอยู่เรื่อยๆคิดถึงซากศพอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรก็เห็นอาการ32ของร่างกาย เห็นโคงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นปัสสาวะเห็นอุจจาระอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้ลายความกำหนัดยินดีในร่างกายได้วันนั้นเลยก็คิดว่าหมดเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิณิสิจานาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร์น